มีการขความรู้สึกตัวแล้วก็มีการฟังธรรมไปด้วยมันเป็นส่วนเสริมกันการฟังธรเหมือนเป็นเพียนไมหมือนเป็นปริยญแต่เป็นปริัตาที่ไม่ใช่เน้นความรู้แบบกว้างขวางจะเป็นปริญญเพื่อการปฏิบัติบางทีเราปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาเพียงพอาาก็อาจจะอาจจะเข้าใจไม่ตรงนนะหรือบางทีคนเจออารมณ์แล้วก็แก้อารมณ์ตัวเองไม่ได้การฟังนะธรรมการสนทนาธรรมนะกับผู้ที่นะเ็นปฏิบัติมา ก, ก่อนนะมีประสบการณ์มา ก, ก่อนก็จะเป็นตัวนะเป็นตัวบ ท, ทยบอกแนวาทานในการปฏิบัติของเรา ือเจออารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็มันก็จะค่ อ, คอยแก้เองเพราะการทำความรู้สึกตัวมันเหมือนเป็นผ้าที่เรานุยนุยดูของจริงในกายในใจของเราเลยของจริงที่มันแสดงเราดูไปเลยอะไรจะเกิดขึน้นมาทุกอย่างนะในผ้า ที่เราฝึกสติเนี่ยเราจะไม่เลือกไม่เรื่องอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าอารมณ์ที่ดูต้องเป็นอารมณ์ที่ดีอย่างเดียมอารมณ์ที่ไม่ดีเราจะไม่ดูนะหรืออารมณ์ที่ดีเราพยายามที่จะประคองรักษาไว้อารมณ์ที่ไม่ดีเราพยายามที่จะพักใสเข้าออกไปเราไม่ได้เราไม่ได้วางใจที่จะทําเช่นนั้นนะ แต่แนมะ้เราไม่ทําไม่ได้ตั้งใจจะทําทเช่นนั้นแต่สติเขาทาของมันเองมันมันต่างกันนะคือสตินะพออกุศลหรือว่ากิเลสเกิดขึ้นมาสติมันทําหน้าที่ตัดของมันเองนะมันละของมันเองไม่ใช่ว่าเราอยากจะอะไเราอยากจะละเราอยากจะตัดอะไรนะไม่ใช่นะสติเขาเขาทาหน้าทีเ่เมื่อรู้แล้วเขาก็ไปจัดการของเขาเอง ติดที่หนก่งคสนะมันต้องไม่ว่าตั้งใจจะประคองนะรักษาไว้นะแต่มันต้องเหมือนกับการสร้างใหม่เองนะเมื่อรู้แล้วเราก็วาติดที่รู้นะแต่ใ้าท้ายมันต้องมีเชื้อนะมันก็มีท้ายทยความสันตินะความต่อเนื่องขณะที่มีความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้ตัว การรู้ตัวครั้งต่อไปมันก็มันก็ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราเคยฝึกเราสร้างนิสัยตรงนี้พอเราทํำบ่อยๆมันก็เกิดความเคยจินจิตมันก็รู้ได้บ่อยขึ้นเราฝึกกระท่านจิตมันเรียกว่ามีตัวรู้เป็นอัณห์ลงมนตก็รู้มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องจงใจไม่ต้องสร้างแม้ในไม้นะ เราจะมีความตั้งใจสักหน่อยนะเพื่อให้เกิดการส ร, นะารา้างตัวรู้นะส ร, ร้างการเคลื่อนไหวให้จิตมันค่อยรับรู้นะเพราะแรกๆใหม่ๆเลยจิตนะจิตกับตัวรู้เนี่ยมันไป้ายมันเบิ่ห่างกันนานแล้วนะเราอยู่กับตัวลงมานานนะตัวรู้มันน้อยตัวรู้มันยังไม่เจริญตัวรู้มันยังไม่แข็งแรง การตั้งใจทําการขยันทําเนี่ยมันคล้ายปลุกปลกให้ตัวรู้มันตื่นขึ้นมาเหมือนกับคนนอนเหมือนตัวรู้่มันนอนหลับสนิทนะการตั้งการเคลื่อนไหวไปท้ายปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาพอเขาตื่นขึ้นมาเองนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาต่อไปเรื่อยนะเราก็เพียงแค่ว่าให้เหยื่อตัว ร, รู้วนะ่าตื่นการเคลื่อนไหวกิจกรรมเนะี่ยคือ คืออาหารของตัวรู้ีเรียงบทที่เพื่อนที่หยุดนะที่ยืนเดินนั่งนอนนะคืออาหารนะตัวรู้มันได้อาหารนะมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปเือตัวรู้มันโตขึ้นจากการที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวกานหยุดนะเรื่อยตัวรู้มันเข้าไปเห็นความคิดนะเห็นจิตนะที่มันเกิดไปคิดนะ เห็นอารมณ์ที่มันแสดงเห็นเวนทานาความสุขความทุกข์หรือความเฉยที่มันอยู่ในจิตพอมันเห็นนะบางทีตัวรู้เนี่ยก็าบาังคับไม่ได้นะมันจะบังคับไม่รู้แต่กายไม่ได้มันบางช่วงนะส่วนะวใหญ่พอมันสามารถร ด, ดูความคิดดูจิตได้ได้แล้วส่เนมันจะไปดูใยตัวนั้นจนะอ่ะเมื่ออาการแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นกับจิต ติดแต่ฟองเกิดขึ้นกับจิตเมื่อไรสติมันจะไปไปทําหน้าที่จับทําหน้าที่ตัดทำหน้าที่ดูอยงนั้นพอจิตมันไหวนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นเห็นอาการที่จิตมันมันไหวไหวทางตาบ้างไหวทางหูบ้างไหวทางสัมผัสบ้างไหวทางใจบ้างพร ไหวเป็นนิดนึงจิตนจะรู้นะมันจะทิ้งฐานทิ้งฐานการเดินทิ้งฐานการยกมือไปเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วไม่กลับมานะเมื่อเมื่อจิตมันเป็นปกติมันก็กลับมารู้กิริยาบทที่เราอกระทำอยู่เดินมไปเลนะแต่เปีนี้ว่ามันเห็นว่าไอ้ตัวการไอ้ตัวการที่ทําให้เราสุขเราทุกข์นะก็คือตัวจิตนะที่มัน คือไปคิดเนี่ยคิดแล้วก็ไปเสพอารมณ์ไปภุมงแต่งต่อนะมันก็จะมีแตดการที่ต้นตอของความคิดนะก็คือความหลงของจิตเนี่แหละจิตนะมันจะเข้ามาดูนะเข้ามาดนะูอาการที่มันเกิดขึ้นภะคยในเรื่อมากแต่บางทีถ้านะบางทีถ้าเรามีรู้ตัวบางทีก็มีความหลงไปเหมือนกันนะเพราะบางทีพอรู้แล้วมันรู้สึก มันมีความปิติมันมีความพอใจที่เราเห็นที่เราจัดการตัวลงได้บางทีก็เลยเกิดความเป็นปิติเกิดความแบบสุขใจมากๆหรือบางทีพอมันรู้แล้วมันมันก็มีปัญญาอเห็นอะไรอเห็นอะไรฟังอะไรหรือบางทีปฏิบัติไปเมื่เกิดความ แต่งฌานเกิดปัญญาแต่งฌา น, น, า น, นเป็นวิปัสสนูขึ้นมามันรู้แต่ไม่บาปตรู้วิปัสสนูรู้แต่ไม่บาปรู้รู้แล้วยังสําคัญว่าตัวเองเป็นผู้รู้แล้วก็สําคัญว่าความรู้นะ่ะเป็นของที่เที่ยง ok สําคัญว่าความรู้เนะี้ยมันมันใช้ได้จริวิปัสสนู ม, มันก็รู้นะแต่ละเนี้ย มันยังใช้ได้ไม่ททั้งหมดนไะม่เหมือนกับไม่เหมือนกับไล้ายมีข้าวมีข้าวสารนะนะแต่มันยังกินไม่ได้จริงๆหรอกมันถ้าเรากินข้าวสารนะี่ยท้องก็ยังอืดคนที่ยังจับวิปัสสนาเราต้องไยอมปล่ยอยวิปัสสนามันกะนะ็มันก็คล้ายๆรู้ไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่มันก็อืดท้องนะ ททก็ภาคหนึ่งเนะีะตัวอารมณ์กรรมฐานก็จะค่อยๆ ย, ยางคลายไปเพราะว่าเราขาดขาดการรู้ตัวนะรู้ไม่ทันว่าเราไปติดกับอารมณ์นภายในอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะแต่เราเตรียงกลับมานะกลับมาหา ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยแหละเป็นตัวแก้ตอนไหนที่เราจมแช่เย็่ในความรู้โดยในอารมณ์ต่างเราพยายามสร้างความรู้ตัวให้มันเด็กขึ้นนะขยันนะถึงตอนนี้ครับขยันขยันสร้างสร้างฐานกายให้มันับมาให้มันชัดขึ้นเพราตอนนั้นคิดมันมันโน้มเอียงไปเป็นสลำไปหาแต่ตัวตัวความรู้หรือตัวปัญญามากเกินไปน มันขาดมันขาดมันขาดสมาธนะิสมาธิที่มันที่มันจะกลับมานะรู้ตัวตัวนี้มันมันลึก้าไปนเราต้องดึงกลับมาสักหน่อยพอกลับมาแล้วมันจะเกิดความพอ่อยนะเกิดความสมดุลรนะห ว, ว่าง้งปัญญานะแล้วก็ศรัทธานะทั้งความเพียรแล้วก็ทั้งสมาธิ เลยติเนี่ยเป็นตัวคอยประคองไปเรื่อยๆนะให้มันเดินทางสายการไปได้เยอะๆนะพอเรารู้คนเนี้ยต่างๆไปเรื่อย ๆ, ๆนะมันจะเกิดความสมดุลในเห็นเออทำรูปทำทั้งงานทำเนี่ยมันจะเกิดเห็นนะใกล้ๆเขียนกั น, นเห็นรูปมันทำเห็นรูปมันเดินเห็นรูปมันเดิเห็นรูปมันนั่งเห็นรูปมันนอน เห็นรูปเป็นผู้เหยียบเคลื่อนไหวนานก็เห็นเหมือนกันนะนานก็เห็นนานมันทำนะนานมันาำดีบ้างนานมันทำชั่วบ้างนานมันเฉยเฉยว่าเห็นรูปนะรูปที่บรรทุกรูปทุกเน่ยเห็นง่ายรูปทุกเห็นง่ายมันชัดเจนแต่นานทุกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็ บางทีเราจะรู้สึกว่านานทุบก็ต้อเหนื่นนานมันเสวยอารมณ์ที่มันไม่พอใจนะแต่จริงแม้แต่อารมณ์ที่พอใจมันก็ทุบนะมันต้องใช้ความคิดใช้ความคล้ายอินเพิ่ไปในอารมณ์นะแม้แต่สิ่งที่พอใจมันก็ยังเป็นความเหมนื่นบางทีอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราใสเห็นว่านะ เรเหความทุกข์อย่างมันจะทำให้ค่อยๆถอนนะความพอใจและความไม่พอใจออกไปได้แต่จะก่อนปัญญาเรายัางน้อยเราคิดว่าทุกข์เพราะว่าเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจถ้าเจอกับสิ่งที่พอใจเราเรียกว่าสุขนะทุกข์ก็ต่อเนื่อเจอปัญหานะตอนที่ชีวิตกล้าขึ้นปกติดีอันนั้นเรียกว่าไม่ทุกข์หรือว่าเรียกว่าเป็นความสุข แต่จริงๆนะเป็นทุกแบบทุกแบบโรคๆแต่ทุกที่พุดด้านซ้ายคือทุกในอาเียนอาจจะเรียกว่าทุกสิ่งุกอย่างเป็นทุกไปได้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างอาคารตัวนี้มันก็อยู่ได้ไม่น่าจะเกินน้อยปีมันก็ต้องปูกพันุกอาจจะกช้ไม่ได้แล้วนี่คือเป็นทุก ร่างกายของเราเองก็อาจจะไม่เกินร้0ยี่สิบปีอย่างมากนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงแปดสิบเก้าสิบก็ผุพังไปแล้วอันนี้คือมันทุบข้อบนะไรเนี่ยือที่ปีมันทุบละเอียดนั้นหายใจเข้าใหญ่นะให้อยู่แค่นี้กันไว้ก็ไม่ได้มันก็ต้องหายใจออกนะตาเราจะดื้อตลอดไม่เกิดเลยนะไปในหนึ่งนาทีนก็ไม่ได้ นี่คือสภาวะที่มันทุกข์รา่างกายอวัยวะภายในเราก็แสดงอาการต่างๆ่ของไป น, ใ น, ใ น, นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกข์คือสภาวะที่มันทนอยู่แต่การเดินไม่ได้นี่คืออาการของความทุกข์เด็กก็ทุกข์นะมันจะดองไว้อยู่เนี่ยแช่ไว่อายุติบป่วงก็ไม่ได้นะก็ต้องโตขึ้นมาทุกวันทุกวันร่างกายก็ต้อ ง, องรรยืงงขึ้นมาเกลต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป นี่คือสภาวะาทุกข์สภาวะของความทุกข์ของรูปซึ่งมันไม่ใช่ว่าอมันเจอทุกข์พอต่อเมื่อเจอสิ่งมาทําร้ายเป็นโรคภัยหรืออุบัติเหตุเท่านั้นแต่มันทุกข์อยู่ทุกขณะจิตใจเ อ, เองก็เหมือนกันจิตใจเองเนี่ยพอเวลาเป็นเสวยอารมณ์เนี่ยมันเรียกว่าเสียความเป็นปกติของจิต จิตตัวนี้เรียกว่าจิตที่ทุกขนะ์นะแต่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าจิตที่เมื่อมันเจออารมณ์ไม่ดีเจออารณที่ไม่น่าพอใจอันนั้นเคยเรียกว่าทุกข์นะแต่จริงถ้าเราสังเกตจริงนะจิตที่เสียความปกตินั่นแหล ะ, ค, ะคือทุกข์ <c oughs> นะอาจจะดูยากหน่อยนะนะแต่ถ้าเรามีปัญญามากขึ้นเราจะเห็นได้ว่า การเป็นเสพอารมณ์นิดนึงเนี่ยมันมันทุกข์นะการว่างๆบางๆการแค่รู้การแค่รู้เนี่ยมันไม่ทุกข์หรือการคิดโดยไม่โดยไม่ยึดเนี่ยมันมันเบากว่าแต่ท่านคิดด้วยยึดด้วยเนี่ยมันมันหนักนะมันจะรู้สึกอย่างนี้หรืออารมณ์เกิดขึ้นมาก็ดีถ้าเราเงแค่รู้สึกว่า อารมณ์สุกเกิดขึ้นในใจอารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นในใจแต่เราเพียงแค่ดูแค่รู้เขาเฉยๆนะมันจะมันจะเบาเบามันจะสบายสบายนะเราไม่บังคับว่ามันจะต้องเฉยตลอดเราไม่บังคับว่ามันจะต้องไม่คิดตลอดนะเราไม่บังคับว่ามันจะต้องไม่ปุ่มแต่งอะไรแต่เพียงแต่แตว่าพอเราถอยออกมาเป็นผู้ดูเฉยๆนะเราจะเห็นว่าสนะิ่งต่างๆนะเป็นเพียงแค่อาการ มันเป็นอาการของจิตอย่างหนึง่งจิตมันแสดงการการเช่นนั้นเมื่อเราเห็นว่าเป็นอาการเนี่ยเออมันไม่ใช่เราเนี่ยแต่ก่อนเราจะคิดว่าเราเราคิดเราสุขเราทุกข์แต่พอเราเห็นเป็นอาการเนี่ยมันจะแยกไปว่าโอ้อันนี้คืออาการของรูปนะูปมันทุกข์นี่คืออาการของรูปนาว ม, มันทุกข์เนี่ยอาการของนา มันเป็นมันเป็นโรคมันเป็นโลคของของรูปโรกของนามนะโลคของรูปนั่นก็เป็นธรรมชาติมันมีโรคไข้ไข้เก็บมีความไม่สบายกาย่เป็นธรรมดาโรคของนามก็คือความโดดนี่แหละมันเป็นโลคเป็นเชื้อโลคนะคีเรกเป็นเชื้อโลคของนามของจิตใจเรามาเห็นแล้วว่านี่แหละโลคของนานนี่คือคีเรก พันห้าตันอาร 8, นะ้อยแปดเราต้องจัดการที่โลกของน้ำนี่แหละเป็นตออ้ น, ะ น, นนะต่อสําคัญการจัดการก็ไม่ใด้ทําอะไรเพิ่มเติมนะเพีงแค่รู้อย่างเดียวเนะีมันจะค่อยๆเป็นจัดการทีุกอย่างน่แคร์นะนรนะเราก็ารู้้ตัวที่มันหยาบๆตนะัวแรงๆเป็นก่อนนะ ส่วนใหญจะไรู้ได้ตัวโกรธนี่ะตัวโทสะเนี่ยมันจะมันจะชัดนะคนบางคนมีโทสะมากเนี่ยดีนะมันเห็นได้บ่ไวๆมันชัดเจนนะบางทีทําไมบางคนปฏิบัติธรรมบางทีรู้สึกมันคลทายๆทำไมเขาเห็นจิตเห็นใจเองได้ชัดเพราะว่าบางคนโทสะเยอะโทสะรแรงนะมันเดเห็นได้ชัด แต่บางคนมันจะนดิ้นสายบางคนกแบบเม่นให้ไม่ค่อยโกรธมากเงียบๆ น, นิ่งๆเอ๋บางทีก็อารมณ์ไม่ค่อยนัดเจนะนะบางทีพอโทสะมันชัดเจนมันจะเกิดตัวรู้ได้ขึ้บ่อยเหมือกันนะคือเราไม่ได้ห้ามว่าเราจะต้องไม่โกรธแต่พอเราโกรธขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันความโกรธได้เยอะขึ้นต่อไป แม้แต่าาอารมณ์เคร่งบุญหงิดไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นมาเราก็รู้นะที่จริงก่อนที่เราจะโกรธนะเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก่อนในเล็กน้อยอะไรนะอะมันมันเกิดขึ้นมาก่อนแต่เราไม่มีสติรู้ทันเราก็จะเป็นปุ่มแต่งเป็นความโกรธเป็นความพยาบาทแล้วก็เป็นตั้งเบรคตา้งควาต่อใ น, นกนารกระทําหรือคำพูด หรือความคิดในใจเนี่ยแหละมันก็เป็นการสร้างนะสร้างภพสั้างชาตินะใ น, ในใจนะเป็นผู้โกนะก็สร้างบนภะอสุลนกายลนะที่ในใจของเราเนะนี่ยคือเราก็จะมาเห็น <c oughs> เห็นในตัวจัตยานออไปเรื่อยๆต่อไปที่มาลนะเอียดมันก็จะค่อยๆเห็นนะจิตที่มนนะันเห็นสติที่มันเะห็นมี ความคิดความหลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ย่มันจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มต่ อ, ต อ, ข, อของความทุกข์ไปเร้่อยเราโลภเราอยากจะทนมนของประดิษฐ์เราอยากจะได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราชอบเองเราชอบเราก็จะอยากจะไดะ้มันเกิดความพอใจขึ้นมาในใจพอเราเห็นความพอใจเนี่ยมันตัดความพอใจได้นะอืม มันก็ยังได้นะถ้ามันมีเหตุที่สมควรนมันก็ยังได้เลยนะแต่เราเห็นว่าความพอใจเนี้มันเกิดขึ้นมาความชอบมันเกิดขึ้นมาความอยากมันเกิดขึ้นมาเมื่ออยากมากๆบางทีพอเราไม่สสดงนะกีเรลมันก็มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าทําให้เราปุ๊บเนาะเอาง่ายๆเช่นเราอยากให้กินถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยมันมันจะรู้สึกมันึะอั มันทุกแต่ถ้าได้สนองกิเลสเนี่ยมันรู้สึกมันมันเป็นความสุขนะแต่จริงๆถ้าเรามองจริงแล้วไอเหตุ ก, การณ์ที่ก่อนที่มันจะสนองเนี่ยมันทุกข์ชัดๆเลยสนะนองแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้สุขจริงๆแบบนะั้นมันแค่เหมือนคล้ายๆได้ผ่อนตามกิเลสเฉยๆกิเลสก็เลยให้ความสุขขึ้นมานะแต่เป็นความสุขที่ที่มันเติมชื้อ เติมเชื้อควงมโถมเข้าไปเพราะว่าเราแพ้เข้าไปแล้วยกนี้มันก็เลยเป็นไล้ายๆเป็นความเป็นเป็นเยื่อใยที่จะทําให้เราหลมต่อไปได้อีกนพอแพร่เข้านี่แล้วก็แพ้อีกละแพ้อีกละแพ้่อีละเราเลยแพ้่เข้าเป็นบประจำแต่พอเราชนะมันไปได้ครั้งสองครั้งมันจะเกิดเชื้อเหมือนกันนะเกิดเชื้อความชนะนะ ชนะกิเลสได้ครั้งหนึ่งเยก็เกิดความปลูกใจเกิดความมั่นใจให้เรื่อยโอเคไหมบางทีพอเราชนะอะไรได้สักอย่างมันก็เกิดความมั่นใจนะะเช่นบางคนไม่เคยคอดทานาหารเย็นพอลองแรกๆก่อนที่จะอดวันแรกมาด้านาตืแ่แปมาปฏิบัติธรรมก็ก็จะไม่ค่อยแน่ใจเลยจะทําได้ไหม พอทำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่สองก็เริ่มง่ายขึ้นเนาะบางคนไปอยู่ที่บา้านไม่แน่ใจตื่นไวหรือเปล่าทำบ้านตีสี่เนี่ยกลัวก็กําวลพอไปอยู่ที่บา้านเธอวันแน่ตื่นได้วันที่สองที่สามก็มั่นใจขึ้น ม, อมตอนที่เราแต่ก่อนเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะใช้นักเรียนได้จริงหรือเปล่า กิเลสทำไมมดูกองทัพใหญ่แต่เกินนะกิเลสพันห้าปัหาร้อยแปดนะเราเรียนว่าใจเกิดเรื่องทีพวกิีชาติเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ใหญ่เป็นงานที่เกินกำลังนะแต่ที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปกว่าตาม ท, ทีเดียวทิ้งท่าไปในวันเดียวอกนะมันเป็นความที่อ่า ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่ให้เราทำไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ค่อยๆล้ไปทุกวันนี่แหละมันจะค่อยๆเห็นกิเลสที่มันแสดงเราจะล้ากิเลสตัวไหนก่อนล้ากิเลสตัวที่มันแสดงตัวไหนมันแสดงก่อนก็ล้าตัวนั้นแหละบางทีเลือกไม่ได้นะ เราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราอยากจ ะ, ะเห็ุอะไรและอะไรก่อนอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ดูมันตรนนั้นนะมันเลือกไม่ได้ <c oughs> เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะเจอสิ่งกระทบทางตาทางหูหรือว่าปวดเองทางใจมันมันสแสดงออกมาเองนะเราก็แค่ดูไปเรื่อยๆนะพอเราดูพอเรารู้ไปเรื่อยๆนะสติปัญญาเมมากขึ้นมันเข็ม ความทุกชัดเจนขึ้นเห็นรูปทุกเห็นนามทุกน่ะชัดเจนขึ้นนะมันอ๋ออันนี้นะไตรักเป็นแบบนี้นะ น, นี่เองเนาะแต่พอเนี่ยใจรักเป็นเพียงแค่ในตำราใจรักเป็นสิ่งที่ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่พอสติมันมากขึ้นปัญญาเปิแจ้งชัดอ๋อใจรักเป็นเช่นนี้เนาะรูปอืมรูปหรือนามนะเป็นความทุกข์แบบนี้นเอง มันคนอยู่ในการลืมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงมันแสดงความทุกขนะ์เหมืนที่เราส่วนอุบานนะลุกเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเจ้าข้านะเมื่ออสนะิ่งใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์หรือสุขเล่านะเป็นทุกข์เจ้าข้านะนะเมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์กลัวที่จะยึดมัน่นถืบมั่นก็เป็นของเราลูกปากก็ไม่กลัวใช่ไหมนะอันเนี้ยมันไม่ตามบรรดาเลย เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงเราก็เห็นความ เ, าเป็นทุกข์เราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะถ้าเราเปยึดมั่นถือมันในความที่ไม่เที่ยงมันก็พร้อมที่จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความทุกข์เราไปยึดวา่ารูปของเรามันต้องเที่ยงเ่พอลูกมันไม่เที่ยงมันก็ทุกข์แล้วเราไปยึดว่าเพื่อนของเราแฟนของเราเขาต้องเที่ยงเขาต้องไม่เปลี่ยนแปลง อารมณ์หรือนะว่าความรู้สึกกับเราเขาต้องเป็นเขาต้องเสมอต้นเสม อ, สมอปลแต่นริเราก็ําคัดไม่ได้ฮนะขานาดใจเราเองยังทุ้งดีกุ้มลายนะทรุกทรุทุกซุนะแต่เราคิดว่าคนอื่นเขาต้องเสมอต้นเสมอปลา ต, ต้องดักเรารตลอดไปต้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีกับเราตลอดแต่จริงเราเอง ก็ยังไม่สามารถที่ยิงได้แต่ดอกยังสุดๆทุกๆเราเห็นเลยที่จริงกรรมฐานมันเขีนตัวเราคนเดียวนะเข้าใจของโลกที่จริงนะไม่ใช่แค่เข้าใจในโลกนี้นะเข้าใจในโลกอื่นนะมันจะเข้าใจนรกเข้าใจสวรรค์เข้าใจปมเข้าใจเปรเข้าใจสูริยนกายทุกอย่างเข้าใจที่ไหนเพราะว่า ใจเราเนี ane, có, có f, ấn, ấn, jet, ่ยบางทีก็มันก็เสพโค้งต่างๆแบบนั้นเหมือนกันนะบางทีเราต้องเป็นพค้งเตยยานะเท่าไรก็ไม่หยุดนะเตเนี่ยรูปากเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่หยุดนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นเกิดเราก็มันมันอยากขึ้นมามันรู้สึกไม่พอสักทีมันไม่หยุดสักทีไม่หยุดไม่เต็ม มีเงินขนาด น, นี้ก็ยังไม่กินไม่เต็มเรื่องค่าใช้จ่นานาดนี้ยังไม่กิ่นไม่เต็มน อ, อะไรเราขนาดมีเยอะแล้วก็ยังไม่เต็มเพราะอะไรความอยากมันทําให้เราไม่เต็มไม่พอสักทีแต่พอเรารู้ทันนะที่จริงอพ อ, อพออยู่แล้วเนาะมีแค่ น, นี้ก็พอแล้วเนาะแต่พอไม่ใช่ว่าจะเป็นจุด ไม่ทํำกิจที่ควรทํานะก็ทําไปก็มีไปเรื่อยก็พอใจนะความพอใจไม่ใช่การหยุดกระทํานะแต่ความพอใจคือความยินดีในสิ่งที่เรามียขนาดนี้แหละนะคือความพอใจคืขณะนี้ความพอใจไม่ใช่ปริมาณนะแต่เป็นความพอใจคือเราพอใจในรูปร่างในสังขาที่เราได้ในตอนนี้พอใจ ในจิตใจที่มันแสดงอารมณ์ตอนนี้นะถ้าเราไม่ปล่อยใจนะเราจะเกิดโศกขึ้นในใจนะเพราะว่าอะไรเช่นเราไิดเผลอโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่ปล่อยใจความโกรธเนี่ยเอาดะคิดต่อเราไม่น่าโกรธเลยนะนะพอเรารู้ทันความโกรธเราก็เรียกมันเป็นความโกรธพอเราบางทีหิวว่าจะเกิดไม่กรรมวิญญาณอะไรอันนี้เรียกว่าความโกรธ ไม่น่าโกรธเลยนะแล้วก็พยายามที่จะแก้ความโกรธนะพยายามที่จะนะตั้งโค้กที่มันแบบนิ่งๆอย่าโกรธนะักอะไรตา่างๆที่จริงพอเราแค่รู้ก็โกรธเออวางเลยพอเราไปคิดว่าเราเัอไปโกรธนะก็รู้ทันนะคร้บก็บางกนะันนั้ะพอเราที่อยากจะไปแก้อยากเป็นความรู้ทันแล้วก็แก้วางที่ตรงนั้นแหละนะเนะีย่ยโค้กธาตต่างๆมันเปลีย่ยนไปเรื่อยๆนะ ภพในใจของเราเนี่ยแหะมันแสดงนะภพภูมิทั้งๆกมตระหนดทั้งสี่นะทุอย่างนะมันแสดงในใจของเราเนี่ยพอเราเข้าใจใจของเราเองนะอ่ามันสร้างโครงสร้างชิาสร้าอาการตันตากเป็นเปางเป็นสนธิโลบ้างเป็นอสูรนาบ้างบางครั้งก็เป็นเทวดาเป็นนางฟานะบางครั้งก็มีภพที่หานสีนะบางครั้งก็ใจเย็นนะ เป็นพระนะเขาถึงพิพาไม่น้อยได้แต่ก็เห็นเลย ว, ว่ามันต้องเปลี่ยนไปไปทั้งหมดนะนะไม่มีใครจะอยู่ในโคกเดียวได้ตลอดนะจิตใ จ, จ, ด, นะ จ, ด, ใจดีทั้งวันก็ไม่ได้จินะนะตใจร้ายทั้งวันจ็ไม่ได้จิใจเีทั้งวันก็ไม่ได้นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างเหตุตัวไหนมากกว่ากันถ้าเราสร้างเหตนะุในการนะรู้ตัวบ่อย ใจมันจะไม่ค่อยเย็นลงสมบูรขึ้นเรื่อยๆนะเราก็สร้างเองไปเรื่อยๆเราก็เรียกว่ามีมีวิพากเป็นภพเลน้อยอยู่เสมอจิตเป็นปกติอยู่ไป็นไวภพอื่นที่เป็นปรากุผลเป็นเวเป็นกรรมก็ท่านละงการตัดภพตัดชาตตัดที่ตรงนะตัดที่การเป็นส้างในใจเรานี่แหละ สร้างปุ๊บสร้างชาติไปใจมันตัดขึ้นมาความโกรธขึ้นมารู้ทันตัดแล้วความโลภก็ขึ้นมารู้ทันตัดแล้วความหลงก็ขึ้นมารู้ทันตัดแล้วอันนี้เรียกว่าการเห็นธรรมก็ได้นะเห็นธรรมคือเห็นสภาวะธรรมที่มันแสดงในใจนี่แหละเห็นกิเลสที่มันแสดงอาการในใจนี่เรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมไม่ไม่ใช่ว่า มันจะไม่มีกิเลสเลยแต่เห็นกิเลสน่ะจะเรียกว่าเห็นธรรมก็ได้นะเมือนอย่างที่พระเจ้าท่านรู้นะพอท่านตัดสนุแล้วท่นานปูทายในใจท่านนะโอ้เนี่ยในช่างพุ่งผูกเกลือ น, นก็คือตัญหนาคือช่างพบช่ <c oughs> างพบให้เราเรารู้ไทันเลยใครผัวซางพบนะแต่พอมาเห็นแล้วว่าตัญหนาเป็นผู้สร้างพบเป็นในช่างพุ่งผูกเกลือ น, นะพอเรารู้จักเจ้าแล้ว เจ้าคำเดินให้เราไม่ได้อีกต่อไปเราสิ้นแลวก็คือเราเห็นยนนี่แหละเขียนสรางปรุงแต่งในจิเนี่ยหะมันก็เลยสร้างต่อไม่ได้เรามันเริมสัญญาแต่ก่อนเราต่อสัญญาให้เขาอวางว่าจะ จ, จ่ายเงินแล้วก็พันุมัติให้เขาทำเสร็จโครงการแต่ต่อไปรู้แล้วว่าโครงการเนี้ยมันเจ็บมันทําให้มันเกิดความทุกข์ มันสร้างไปเป็นนี้เป็นนีต่อเราก็ต้องตัดแบบตัดเลยนะตัดเลยคือเราเห็นผู้สร้างเห็นผู้สร้างพกสร้างสร้างตัวที่เห็นก็คือตัวรู้นี่แหละมันเห็นมันก็ตัดเห็นแล้วก็ตัดแต่มันพกน้อยพวกใหญ่เป็นเยอะนะก็ค่อยๆเห็นไปเรื่อยก็คือเห็นกิเลสนี่แหละเห็นกิเลสในใจไปเรื่อยๆจิตใจมันก็ค่อยเบาค่อยสบายค่อย ค่อยว่างขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็ทำหน้าที่น่ยดูตรงนี้ไปเรื่อยๆอันนี้สติปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาไปของมันเองนะเกิดจากการที่เราฟังแค่ข้างความรู้สึกตัวนี่แหละนะอย่างให้เราเชื่อมั่นมั่นใจว่านการแก้การข้าความรู้สึกตัวทำไมพระพุทธเจ้าต้บอกว่ามันเป็นทางสายเองเป็นทางที่ เข้าไปสู่ความบึก้นไะด้จริงๆเพราะทางเส้นไหนก็แล้วแต่นะนะในวิธีการปฏิบัติในแนวทางนะที่อยู่ในโลกนีนะ้ยังไงมันก็ต้องขึ้นไปสู่วิปัสสนาภูมิให้ได้นะถ้ายัางติดแค่สมถนะติดแค่ความสงบอยู่ยังไม่เป็นการตัดกิเลสได้จริงๆนะอันนั้นวิปัสสนาคื อ, อาการเก็บตัมความ เ, าเป็นจิต <บ>เห็นแล้วตัดกิเลสได้เนี่ยคือวิปัสสนานะมันถึงจะตัดภพตัดชาติได้นะอันที่เราปฏิบัติมัน เ, เลยมีการนัดตรงเข้ามานะสู่ตัวการตัดภพตัดชาติตเลยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ปีคล้ายๆไม่ได้ปฏิเสธกิเลสนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามความคิดนะแต่เรามีหน้าที่สร้างสตินะจากฐานกาย พอสติฐานกายมันมากขึ้นสติมันจะเข้าไปเห็นความคิดมันตัดตรงนั้นได้ของมันเองมันก็เลยเป็นทางตรงนะเราไม่ได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเราก็เราก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นเราก็ดูมันอย่างที่มันเป็นนะมันเป็นแบบไหนเราก็รู้อย่างนั้นนะให้ใจเราเป็นปกตินะใจเป็นเพียงแค่ผู้ผู้ดูผู้เห็นอารมณ์หนึ่งจิตใจเนี่ยคือเรื่อง ของการปฏิบัติธรรมล้วก็ให้เรามั่นใจว่าการสร้างสตินี่แหละนะมันทำให้เราเข้าถึงเนะข้าถึงพระพาวานะธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้จากการที่ทำแค่นี้แหละนะมันจะค่อยพัฒนาไปแต่ขอให้ข ย, ยนนันเนาะบางทีคารวะเนี่ยดีนะนะมีตัวทดสอบเยอะแต่ก็มี ชนะ่องว่างเยอะนะช่องว่างมันก็เลยทำให้เราเนิ่นช้าไปเรนะื่อยะแต่ถ้าเราค่อยๆกระชับช่องว่างช่องว่างของความลารมณ์ให้มันน้อยลงหนระือให้มันสั้นลงนะอารมณ์ต่างๆที่กระทบในแต่ละวันะเป็นครูชั้นยอดเลยนะอมันเห็นมันเห็นกิเลสเห็นใจเรานี่งเลยนะ ดิ้นตามความอยากดิ้นตามพอใจไม่พอใจดิ้นตามความไหวไปเนะี่ยเห็นไหนะอ่ามาสะสมไปเลยนะเป็นตัวสะสมปัญญาทั้งนั้นเลยเนานะนั้นให้เราพยายามกลับมาดูกายดูใจนะส่วนใหญ่ก็เวลาเรามีเวลาเถิดตัวไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็จะเห็นกายได้ชัดขึ้นแต่พอเราเกี่ยวข้องกับการงานะเกี่ยวข้องกับผู้คนเนะี่ย เมืกี้แล้วก็าการทีจ่จะติดจะไปรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ก็ไม่ใช่เรื่องผิด น, นะก็ก็รู้ไปนะรู้ไปเนทะ่าที่เท่าที่มันจะตามรู้ได้เราก็รู้ไปเพื่อเป็นการคล้ายๆตัดสมแต่ขอให้รู้ให้ใหใหใหรู้แบบรู้สึกว่า ม, มันมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องไม่ต้องไปห้ามา ถ้าเมื่อะไรที่คิดเราเคยจะไปห้ามเคยจะไปเด็ดขางให้เรารู้ทันตัวนั้นต่ออีกทีถ้ารู้สึกว่าอารมณ์มันแรงไม่ไหวยีจีบ ก, ก็กลับมามารู้สึกตัวกายไปเลยแต่ถ้าตัวไหนที่อารมณ์มันมันพอดู้ได้ะพอเล่นๆกับมันได้หยอกมาคล้ายๆดูเหมือนคล้ยหยอก ม, มาอยู่คล้ายๆเหมือนเราแก้งเด็กน ะ, ะนเราเราไม่ได้โกรธนะเราแก้ ง, กงๆกล่นๆไปเฉยเ เราต้อเห็นมันเต่นเต้นติดๆมันก e ็ขับไหลไม่ได้นะใช่ไหมเหมือนเรายอกมาหมาย้นมาทำารเราไม่ได้อรอกเราเตรียมทางบอกแล้วเราดูได้แล้วไม่ไม่ต้องกลัวละอารมณ์ที่มันแสดงจี้จะทํำมนเราก็ดูไปเต้นนะลอกจากตัวไหนมันมันลึกมันแรงแล้วก็กลับมาะปีออกมาะขยับเนืขยับตัวขึ้นมานะ แต่พอสติปัญญาเกิดขึ้นมาเองมันก็าตาดัดนะนะของมันเองนะอารมณ์ก็ตัดของันเองนะมันกลับมารู้เมื่อรู้กตัวของมัเอนะนะี่และคือสิ่งที่ให้เราได้ปฏิบัติไปในน้ำตาเกิดความขเข้าใจเนะข้าใจกายเข้าใจใจนี่แหละนการเข้าใจเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจเห็นนะที่จริงมันเห็นก่อนเข้าใจ เห็นตามันเป็นจิตมันเลยเกิดความเข้าใจคิอใจมัยอมรับก่อนเป็นจิตแต่ก่อนเนี้ยเราตอนนี้น เ, รนนนเรารู้นะคิดได้จําได้แต่ใจมีไม่ยอมรับการเข้าใจเลยใจมันมีธรรมแต่ก่อนใจมีกิเลสในคนใจมีธรรมมันก็เลยอะมันก็เลยรับกันได้ไม่ง่ายนะเหมือนกับในใจเลือดนะ กุ้งเดียวกันเข้าได้อข น, นาดถ้าเริ่องคนกุ้งเนี่ยมันปฏิเสธเหมันหลายคนในโลกนี้นะพอเรียนหลงในโลกอยู่ยนนยก็ยังมีปฏิเสธออกมาแต่พอเรากล่าวในเริ่มโน้มเข้ามาทานี้ละมาเริ่มองคืนทรับกันได้เรื่อยละก็ถือว่าเป็นเป็นทางที่ดีของเรา 你打分。